ราชาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าพ่อมโหสถบัณฑิตเจ้าจะกล่าวแก้อย่างไรมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเส น, น ก, กะจะรู้อะไรเห็นแต่ยศเท่านั้นไม่เห็นไม้ค้อนใหญ่ซึ่งจะตกบนศีรษะเปรียบเหมือนกาอยู่ที่เทเข้าสุกและเปรียบเหมือนสุนักปรารถจะดื่มนมส้ม โปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าทูลชนีแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าคนมีปัญญาน้อยได้ความสุขแล้วย่อมประเมาดถูกความทุกข์กระทบแล้วย่อมถึงความหลงอันสุขหรือทุกข์ที่จรมาถูกต้องแล้วย่อมวันไหวเหมือนปลาดิ้นรนในที่ร้อนข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาแลประสเสฐ คนเขามียศจะประเสริฐอะไรมันดาคําเหล่านั้นคําว่าได้ความสุขแล้วลัทธาสุขขังความว่าคนเขลาได้อิสริยสุขแล้วย่อมมัวเมาคือประมาทคนประมาทย่อมทําบาปมากคําว่าอันทุกขทุกเขเนะความว่าอันความทุกทางกายและความทุกทางใจถูกต้องแล้ว คำว่าที่จรมาอาคันตุนาได้แก่ที่มิได้เกิดขึ้นภายในด้วยว่าแม้ความสุขของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของจอรมาทั้งนั้นมิได้เป็นไปประจําคำว่าในที่ร้อนคัเมความว่าเหมือนปลาที่เขาเอาขึ้นจากน้ำนํามายโยนไปในแดดย่อมดิ้นรน พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสถามเซนนกะว่าท่านอาจารย์จะแก้อย่างไรเซนกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพมโหสดนี้จะรู้อะไรมนุษย์ทั้งหลายจงยกไว้ก่อนวิหกทั้งหลายย่อมคบหาแต่ต้นไม้ที่เกิดในป่าซึ่งสมบูรณ์ด้วยผลเท่านั้นทูลชนีแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่า ต้นไม้ในป่าที่มีผลดกหูงนกย่อมบินโฉบเฉี่ยวอยู่โดยรอบฉันใดชนเป็นอันมากย่อมคบหาสมาคมบุคคลผู้มั่งคัง่งมีโภคทรัพเพราะความต้องการด้วยทรัพ์ฉันนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนมีสุริเท่านั้นเป็นคนประเสรศิฐบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าชนเป็นอันมาก พระหุชโนความว่ามนุษย์เป็นอันมากประชุมกันเพื่อเหตุแห่งทรัพย์พระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสกับมะโหสถว่าพ่อจะแก้อย่างไรมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเซนกะท้องโตคนนี้จะรู้อะไรโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้าทูลชนีแล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่า คนเขามีกำลังแต่หาอย่างประโยชน์นี้ให้สำเร็จไม่ได้ซับมาด้วยทมกิจร้ายแรงนายนิรยาบาลฆ่าคนเขานั้นผู้ไม่ฉลาดผู้ร้องไห้อยู่ไปสู่นรกอันทุกข์ยิ่งข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาแลประสเศศิดคนเขามียศจะประสริดอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าร้ายแรง ตาหะสังความว่าคนเขาทำการงานที่มีความร้ายแรงด้วยความร้ายแรงเปียดเบียนประชาชนจึงได้ซั์เมื่อเป็นเช่นนั้นนายนิระยะบาลทั้งหลายจึงคร่าคนเข่านั้นผู้ไม่ฉลาดร้องห้อยู่นั่นแลไปสู่นรกอันมีเวทนามีกำลังเมื่อพระราชาตรัสถามอีกว่าท่านอาจารย์เสนกะท่านจะแก้อย่างไร เซนกะจิงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโปรดฟังเถิดแล้วกล่าวคาถานี้ว่าแม่น้ำน้อยใหญ่สายใดสายหนึ่งย่อมไหลไปสู่แม่น้ำคงคาแม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมดเที่ยวย่อมละชื่อและถิ่นเสียแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สมุทรย่อมไม่ปรากฏชื่อชั้นใดแม้ผู้มีปัญญาเข้าไปใกล้คนมีอิสริยยศ ก็ไม่ปรากฏฉันนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นผู้ต่าต้อยคนมีสิริเป็นผู้ประเสริฐบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแม่น้ํานัดโจความว่าเป็นสภาพคล้อยไปคือไหลไปโดยที่สุดแม้แต่แม่น้ําเล็กๆคำว่าละชันติความว่า ย่อมนับว่าแม่น้าคงคาทั้งนั้นและชื่อและถิ่นของตนเสียคำว่าย่อมไม่ปรากฏณขายะเตความว่าแม่น้าคงคานั้นเมื่อไหลไปถึงสมุทรก็ไม่ปรากฏว่าแม่น้าคงคาย่อมได้ชื่อว่ามหาสมุทรทีเดียวแม้คนมีปัญญามากถึงคนอิสระแล้วย่อมไม่ปรากฏคือไม่มีใครรู้จัก ได้เป็นราวกับ ว, ว่าแม่น้ําคงคาไหลเข้าสู่สมุทรพระราชาตรัสอีกว่าพ่อบัณฑิตเจ้าจะแก้อย่างไรมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าโปรดฟังเถิดพระเจ้าขา่าแล้วกล่าวคาถานี้ว่าแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ทะเลใหญ่ที่อาจารย์กล่าวถึงอันนับไม่ได้ตลอดกาลทั้งปวง ทะเลนั้นมีกำลังยิ่งเป็นนิดแต่ทะเลก็ไม่ล่วงฝั่งไปฉันใดกิจการที่คนเขาประสงค์ก็ไม่ล่วงคนฉลาดไปได้แม่ฉันนั้นคนมีสิริย่อมไม่ล่วงคนมีปัญญาไปได้ในการไหนไหนข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลว่าคนมีปัญญาแลเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่อาจารย์กล่าวยะเมตะมักขาความว่าท่านบอกคือกล่าวปัญหาใดคำว่าอันนับมี้ได้อสังขยังได้แก่นับไม่ได้คำว่าก็ไม่ล่วงฝั่งไปเวลังนาจเจติความว่า ทะเลนั้นแม้มีกำลังยิ่งยกคลื่นขึ้นเป็นพันๆก็ไม่อาจล่วงฝั่งไปได้คลื่นทั้งหมดถึงฝั่งแล้วย่อมแตกไปแน่แท้คำว่าแม่ฉันนั้นเอวัมปิความว่ากิจการที่คนเขาประสงค์ย่อมไม่อาจล่วงคนมีปัญญาไปได้พอถึงคนมีปัญญานั้นแล้วย่อมทําลายไปฉันนั้นเหมือนกัน คำว่าย่อมไม่ล่วงคนมีปัญญาปัญญังนาจเจติความว่าธรรมดาคนมีสิริย่อมไม่ล่วงคนมีปัญญาไปได้อธิบายว่าไม่มีใครเลยที่เกิดความสงสัยในอัฏถะและอนัตถะขึ้นแล้วผ่านเลยคนมีปัญญาไปแทบเท้าของคนเขาผู้เป็นอิสระแต่ย่อมได้การวินิจฉัยแทบเท้าของคนมีปัญญาเท่านั้น พระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสถามเซนนกะว่าจะแก้อย่างไรเซนกะกราบทูลว่าโปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าแล้วกล่าวคาถานี้ว่าแม้หากว่าคนมียศผู้ไม่สำรวมอยู่ในที่วินิจฉัยกล่าวข้อความแก่ชนเหล่าอื่นคำของผู้นั้นย่อมฟังขึ้นในถามกลางบริษัท คนมีปัญญายังคนมีสิริให้ทำตามถ้อยคำของตนหาได้ไหมข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนมีสิริเป็นคนประเสริฐแท้บรรดาคำเหล่านั้นคาว่าแม้หากว่าผู้ไม่สํารวมอสัญญาโตเจปิความว่าก็แม้ถ้าคนมียศเป็นคนไม่สํารวมกายเป็นต้น คือเป็นคนทุศีนคาว่าอยู่ในที่วินิจฉัยสันฐานะคโตความว่าคนมียศ ด, ดํารงอยู่ในที่วินิจฉัยกล่าวข้อความแก่คนเหล่าอื่นเมื่อเขาซึ่งแวดล้อมไปด้วยบริวารใหญ่กล่าวมุสาทําให้เป็นเจ้าของบ้างให้ไม่เป็นเจ้าของบ้างในโรงเป็นที่วินิจฉัยคำของเขานั่นแลย่อมฟังขึ้น คนมีปัญญาย่อมยังคนมีสิริต่ำช้าให้ทําตามถ้อยคําไม่ได้เพราะเหตุนั้นคนมีปัญญาจึงเป็นคนต่ำช้าคนมีสิริจึงเป็นคนประเสริฐแท้เมื่อพระราชาตรัสถามมโหสถอีกว่าพ่อจะแก้อย่างไรมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าโปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าเซนกะคนเขาจะรู้อะไร ดูอยู่แค่โลกนี้เท่านั้นไม่ดูไปถึงประโลกแล้วกล่าวคาถานี้ว่าคนเขามีปัญญาน้อยกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งคนอื่นบ้างเพราะเหตุแห่งตนบ้างคนเขานั้นถูกติเตียนในถ้ำกลางที่ประชุมภายหลังเขาจะไปทุคติข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสรศิฐคนเขามียศ หาประเสริฐไม่ลำดับนั้นเซนกะกล่าวคาถานี้ว่าถ้าคนมีปัญญาดุดแผ่นดินไม่มีที่อยู่มีทรัพย์น้อยเป็นคนเข็นใจกล่าวแม้ข้อความคําของเขานั้นย่อมฟังไม่ขึ้นในถ้มกลางญาติและสิริย่อมไม่มีแก่คนมีปัญญาข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่าต้อย คนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าถ้าแม้ข้อความอัธมปิเจความว่าถ้ากล่าวแม้เหตุการณ์คําว่าในท่ามกลางญาติยาติมัตเชได้แก่ในท่ามกลางบริษัทด้วยคําว่ามีปัญญาปัญญานวตโตนี้อาจารย์เสนกะแสดงความว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าธรรมดาสิริแม้จะมีอยู่ตามปกติถึงความเป็นยอดความงามแห่งสิริก็ไม่มีแก่ผู้มีปัญญานั่นแลด้วยว่าผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ปรากฏในสำนักของผู้มีสิริประดุษหิ่งห้อยในเวลาพระอาทิตขึ้นเมื่อพระราชาตรัฐมโหสดอีกว่าข้อจะแก้อย่างไร มโหสดบันดิตจึงกราบทูลว่าเซนกะจะรู้อะไรดูอยู่แค่โลกนี้เท่านั้นไม่ดูไปถึงประโลกแล้วกล่าวคาถานี้ว่าคนมีปัญญาดุดแผ่นดินไม่กล่าวคำเลาะแอะเพื่อเหตุของผู้อื่นหรือแม้ของตนคนผู้นั้นอันมหาชนบูชาแล้วในท่ามกลางที่ประชุมภายหลังเขาจะไปสุขติ ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่ลำดับนั้นเซน ก, กะกล่าวคาถานี้ว่าช้างโคมา้าปุณทนแก้วมณีและนารีทั้งหลายเกิดในสกุลมั่งข้างทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอุปโภคของบุรุษผู้มีอิสระ สัตผู้ไม่มีอิสระก็เป็นอุปโภคของผู้มีอิสระข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของผู้มีอิสระอิทธัสสะได้แก่ผู้มีอิสระคำว่าผู้ไม่มีอิสระอนิทิมันโตวความว่า มิใช่แต่นารีเหล่านั้นเท่านั้นที่เป็นอุปโภคที่แท้สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีอิสระทั้งหมดทีเดียวย่อมเป็นอุปโภคของผู้มีอิสระนั้นลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าเสน ก, กะจะรู้อะไรเมื่อจะชักเหตุอันหนึ่งมาแสดงจึงกล่าวคาถานี้ว่าสิริย่อมละเสียซึ่งคนเขาผู้ไม่จัดการงาน ผู้มีความคิดอย่างคนมีความคิดชั่วผู้มีปัญญาสามเหมือนงูลอกคราบเก่าเสียฉนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่เนื้อความของคำว่าสิริย่อมละเสียสิริชาติในคาถานั้นถึงทราบตามเจติยชาดก ลำดับนั้นครั้นพระราชาตรัสถามเซนกะว่าจะแก้อย่างไรเซนกะกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพมโหสดนี้ยังเป็นเด็กรุ่นจะรู้อะไรโปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าทูลชนี้แล้วคิดว่าเราจะทามโหสดให้หมดปฏิพานจึงกล่าวคาถานี้ว่าขอจงทรงพระเจริญพวกข้าพระองค์เป็นบัณฑิตห้าคน ทั้งหมดเคารพบำรุงพระองค์พระองค์เป็นอิสระครอบงำข้าพระองค์ทั้งหลายดุจเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งพูดทั้งหลายข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำเช้าคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของเสนกะนี้แล้วทรงดําริว่า เหตุการณ์ที่เสนกะชักมาดีอยู่บุตรของเราจะสามารถนำเหตุการณ์อื่นมาทำลายวาทะของเสนกะนี้ได้หรือหนอจึงตรัสว่าพ่อบัณฑิตเจ้าจะแก้อย่างไรได้ยินว่าเมื่อเสนกะชักเหตุการณ์นี้มาคนอื่นเว้นพระโพธิสัตว์เสียที่ชื่อว่าสามารถทำลายวาทะนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะทำลายวาทะของเซนกะนั้นด้วยกำลังยานของตนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเซนกะนี้เป็นคนเขาจะรู้อะไรและดูอยู่เฉพาะยศเท่านั้นไม่ทราบความวิเศษแห่งปัญญาโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้ากราบทูลช น, นีแล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่า คนเขามียศเป็นดุลทาตของคนมีปัญญาในเมื่อกิจต่างเกิดมีคนฉลาดย่อมจัดกิจอันละเอียดใดคนเขาย่อมถึงความหลงพร้อมในกิจนั้นข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าในเมื่อกิจต่างๆอัตถสุ ได้แก่เมื่อกิจทั้งหลายํำว่าย่อมจัดสังวิเทติได้แก่ย่อมจัดแจงพระมหาสัตว์แสดงเหตุการ์แห่งในปัญญาด้วยประการชนี้ราวกับผู้วิเศษคุ้ยสายทองขึ้นแต่เชิงเขาสินเนรุและราวกับผู้มีฤทธิ์ยังดวงจันทร์เต็มดวงให้ตั้งขึ้นในท้องฟ้าฉะนั้น เมื่อพระมหาสัตว์กล่าวแสดงอานุภาพแห่งปัญญาอยู่นั่นแลพระราชาตรัสเสนกะว่าเสนกะท่านจะแก้อย่างไรท่านอาจกล่าวให้ยิ่งขึ้นหรือเสนกะนั้นยังวิทยาคมที่เรียนมาให้สิ้นไปเป็นผู้หมดปฏิพานเป็นผู้เก้อนั่งซบเซาอยู่เหมือนข้าวเปลือกที่เขาเก็บไว้ในช้าง ก็ถ้าเสนกะนั้นพึงนำเหตุการ์อื่นมาายมโหสถจะพึงเฉลยอันจัดเป็นชาดกนี้ให้จบลงด้วยคาถาหนึ่งพันรรมหาสัตว์เมื่อจะพันน า, นาปัญญานั่นแลให้ยิ่งขึ้นเหมือนนำห้วงน้ำลึกมาในการที่เสนกะนั้นหมดปฏิพาณนิ่งอยู่จึงกล่าวคาถานี้ว่าปัญญาเป็นที่สันเสริญแห่งสัตว์บุรุษทั้งหลาย สัตบุรุษทั้งหลายสรนเสริญปัญญาว่าประเสริฐแท้จริงสิริเป็นที่ใครของพวกคนเขาพวกคนเขาใครซึ่งสิริยินดีในโภคะสมบัติก็ความรู้ของเหล่าท่านผู้รู้อันใครใคซึ่งเปรียบด้วยอะไรไม่ได้คนมีสิริย่อมไม่ล่วงเลยคนมีปัญญาในการไหนไหนข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแห่งสัตบุรุษทั้งหลายสัตตังได้แก่สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคำว่ายินดีในโภคสมบัติโภคารตามีเนื้อความอันบันดิตพึงพรรณน า, นาตามพิงส ก, กชาดกว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะมนุษย์อันธพาลเหล่านั้นยินดีในโภคสมบัติฉะนั้นเขาเหล่านั้นจึงไครสิริชื่อว่ายศนี้บัณฑิตทั้งหลายติเตียนคนพานทั้งหลายปรารถนาคำว่าของเหล่าท่านผู้รู้พุทธานังได้แก่ของเหล่ายานพุทธคำว่าในการไหนไหนกะทาจิความว่า ข้าแต่สมุติเทพธรรมดาคนมีสิริย่อมไม่ก้าวล่วงคนมีความรู้ในการใดไหนไหนพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำนั้นก็ทรงโสมนัสด้วยปัญหาพยากรแห่งพระมหาสัตว์เมื่อจะทรงบูชาพระมหาสัตว์ด้วยทรัพย์ราวกบผู้วิเศษยังฝนลูกเห็บให้ตกจึงตรัสคาถาว่ามโหสดผู้เห็นทรทั้งปวง เราได้ถามปัญหานั้นใดกับเจ้าเจ้าได้ประกาศเผยแผ่ปัญหานั้นแก่เราเรายินดีด้วยการแก้ปัญหาของเจ้าเราให้โคหนึ่งพันทั้งโคอุสภราชช้างรถเทียมม้าอาชาในสิบคันและบ้านสวยสิบหกตำบลแก่เจ้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโคอุสภราชช้างอุสะพันจ์นาคัง ว, ว่าเราให้ช้างที่หน้าขี่ซึ่งประดับตกแต่งแล้วทำโคอุสภราชให้เป็นใหญ่ของโคหนึ่งพันนั้นด้วยดีสิริเมนต ก, กะปัญหาในวีสตินิบาทจบ